นต่อไปข้าวนานันทานลูกนอเส้นมัวรนงตัวตรงๆแตาของเราเมื่อสายบงบนตักหัวตัเมื่อสายเพิ่งร่มเผาร่มปอกร่มเผาร่มปอกงานลกบุญยกับลม ใจว่าว่าเ็นตาขนาด น, าไไ น, นี้ตาภายในคือจะเรียนรู้สติเรียนรู้ร่องเาะละร่องเกาะเนี่ยพูว่าธรรมะจะถกตวตาภายใน เาทาังสอนของโุเจ้ามาบอกูพังโอเจ้า ป, ไ ป, ไ ป, ไป ใจ้วอก็นิ่ง่เรือามมีปัญญานะยังไงน่งคือทำบุญคือทำงะหรือภ้ากันน้ำขาตคนเดียวพอใคเช้าบุญขาดัวเดียวคือขาดสางทำบุญเหลือทำท่ามุงฝนร่างเซสำลักถลายฟาส่งเด็กเต็มืั่นูเหมือนขี้เกไปว่ามังแบนรอ ทำทานกระทัวบุญทำทานทำเก่งได้บุญทาบุญเได้บาปทำบุญใส่บาปใส่บาปทำบุญใส่บาปหรือทำบุญใส่บาปใบาปของเที่ยวของฉันได้พระมันว่าปวดแวนปวดวิตามินปวดที่หลังถีบโปกใส่บาปปวดกรป้องป่าถุงใส่บาป ใช้แต่เพื่ t เรียกเป็นใช่ปะก็เรียกใช่ปะก็เรีย n ใช่ปะถ้าสมบูรณ์เป็นปะก็เป็นใช่เป็นปะเกิของแขนใ่ไอนใ่รองนให้เกิดนิมของแขนเป็นบองนอนู้าเป็น ก็นาจะเทปุ่ายังบอกเบอให้เงนทเดกัน่ไหนบางท่านบก็ท่านใจจะเอาแขวแหงูบงคนก็โคตรทปเป็นฝันลบอกว่าทักผมทัใทางคำาปกัเป็นบาปวบางคนเที่ยวพฉันนี่คนนีบาปรับ้างวัน พระแหงนัแหละของผู้ใจบาปเขาต้องินเขาสาเห็นว่าการยกถ้าพะขาดย่งเดียวขานการทับุนีปัญญาเทิพระาต่าทับุนทับบาปพรเจากเรื่งเขาทวทั้งที่ถูกกล้องไม่ตองใจการไ่อใจจะไม่ทับุัายกกายจเป็นทังด รักษากายรักษาใจใส่รู้สีดีพอกันเมื่อได้รับรักษาได้ตั้งกวนเมื่อรอได้ยกเกปด็รักษาคนไหน่าตายได้เมื่อรนคตวุกเชร้าแเกลแก่เจ็บตายทั้งาันตะไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตาย เราต้องแก้วท้งได้ท่คามจหมายเกิดเป็นทังไหนแกเป็นังไเกเป็นังไตายเป็นังไนเรื่องสนทั้งุบอกเกิดมาแกตายจพอังุร้องอร้องอใจของอยู่กใจใตัวห้อมีกายทำีใจยจะทุงมือเพราะาดตัวก็ถูป ถ้าต่อกกันของพระเจ้ารับสาใจนะแ้วก็คือขนนี่การรักสาใจข้นต้องพอฟอมาใหุ้มกนคุ้มือคุ้มอแล้วหนึ่งาทีเห็นนกันบึงเองเวารับฟอเบิงมดมือเท้าพังนหนึ่งนาทีนี่ยก็นคือใจใจที่ไม่รับเขาตัอ่อใจจะเป็นพัดนผลใจญ่เต็ เด็กน้อยเลยนะยี่เลย n ข่งกับกึ่งวัวจาแข่มี้นถุกน่ะยมี้อนถุกเฟอร์ก้อนถุกเ้นุกเที่ยัแต่บอกว่ารำด้วยสวยมากเป็นหมอนร้อนเห็นน่ะตะวันตกเพงล่มด้วในหมู่ดังยี่แกไปหาใส่โน้ตไส่กแต่แว่นปุ กัตนั่นัรนีะกาบายคพรอาจารย์กัตริย์นั่นกันีกาบายคะฝันใอพวกพิทักษ์กันฝันใไดู้้เจ้าเนฝันในบลสารัโลกในองค์ักหาศีหาพมาสอนัโลกเ็เนหัวคิดใจเาตัดเมือเพิ่มใจฝันใเพิ่น่าฝันใทเอาผู้ิบลรู้เอ็นเอเข้าใจ่ นกดบ้างแต่คุณเอ็มห็นฉันกว่าหนี่ยังกหรือมาบัรันก็้มกัมาลุก็กันเอตถามคนบางคจพพกุมก็ว่าเขาถือก่ถามพระก็จะกล้พระก็่เขาถือก็ตน่แล้าพระเจ้าไทมีกัลุมแมนาตนี่บอกทักุยอหั ตวใหญ่ตัว า, า, า, านนี่ตัวที่แค่ตัวใหญ่านตวน้่ทัุ้มไป้มน่ยจะจิัดทนี้จิกพัดเป็นว่า้บุญาสีงบุญเขาก็ขัามบุญได้ไหมข้าบุญได้ไหมอนุพ่อก็พาทัาบาทตึพระบาเพึ่น้องตัวกันก็จะตั้บุญได้ไหมหรือว่ท้บาก็ได้หาองมีไหม ขะนั้นถึท้นเขเขาเจ้านามตงหน้ายาบ้าตั้งตั้นากินกันติดไปนหาตีปากกันแล้หางตายหาตายมีไข้ไบ่ได้ตายไมู่งที่วัดะเดาตคนก่กันท่าเป็นการมันพัดกว่านหนอพัดกว่าพัดแล้ว ตายแค่ไหายโกงตุลานะมันใช่มันมคุึเป็ น, นันขราหลงไ้มาคุกเกี่ยวกเื่อาที่เกิดนี่เกิดไม่เราเห็นพระน่ขาองพระเจ้าเนั้นข้าหของพระเจ้าก็เลยเกิดเป็นคเท็อุดมถงปูว่าเป็นคนผิดคนผิดการพาไปผัดหวกอามีมากเห็นทีละ น, น, นี้น ท, ทีสินกันเนี่ ทุกทิงก้งทุกการเพเป็นคลเป็นารฟาใหมมนี่ทุกการมาเลยคนณช่วยเลยคนก็าถามหัใจกับใครด้วยช่วยได้บด้บางาประกาพุูดแล้วผมมีปัจจยอะไรได้อันนี้สึกที่คุกที่หน้ารังไปทำ บ, บาปทำกรัมว่านา น, นั้นก็นมีทั้งมีพี่น้องไปหาไทยถอนประกันบอกมาเปนใจเป็นเทศพี่น้องใจโอ้กประกันได้ไ กรรมมุกน้ำระตัดทิ้โลกไปตามกรรขอการตาม่างก็กรมดีหรือกมตัวตามตามงันไว้กรรมนันตามชนองเขากรรด้งกรรมตัวตังเพราะเขา捕捉ร่างกายเาหลังใาเาตั้งใจกันไปว่าขาากรรมเขาบุญเลยขาการทเาสมชิอ่า ว่หมายหลายเขาโยกเาเปสมาธิภาวนาทาิ่สมาธิภาวนาเขาก็กเรียนนี <c oughs> <t |sv|> ่น <t żad eliminates> ี <t> ่ยิดิัไมหามวนจะ้ปูองปูขอเนี่ยจะของปูของเมอเาของปูขเานอกของปูงหาเนีมาทานของปูงนะนมกนา เอาตักไปแปรรูปไม่เตรียมแต่บ้านแต่คนแต่เป้าหน้าก็จะนาหารไปทำบุญวันที่ลงวาไปตั้งบาปต้องรอร่วมงานเดี๋ยวว่าตามน้งวัดเต้นผาขาดคูรงเขาบัดเป็นบาปสก่ตัววัดซอยวัดสงฆ์วัดศาวัดศาสนานะไปแต่อแตมีเหตคนต้องขอ เห็นโลก่านียไม่ยี่งย่งก้อยเห็นมีหนังธวรมเทศบาลปทศกุนไม่เห็นจุดสิทนสุดในพรเสียตุลงกวดก็เป็นบาตรเติพระเป็บาทรเติมโม่เติมผนน้ำทาพระยังก้อยยังไมาเป็บาตรก้อแห้่เยเป็นพระกองน้าฐานพบปันได้เพราะว่าข้าถามาได้ของหน้าของทาไมอาดนั่นใส่เพราะว่าฐานั่นหาว่เป็นแบ้ ไปหลายก็ขาจรณนั่นแหละเป็น้ขอคน็คนจะขอคนพิจารณไม่หวังพิรงานนู้นพิเศทางคนนอกทางคนนอกสวัสดีพรเด็กผิดแดดแดดเพื่อท่าของผมไปจับนั่นละสองวน ขอของขวนมาขอขอสิมมยขออยู่ในเครืองให้ของขวนพขผู้ให้ไปแล้วของขวนคเพื่อไปทำบุญบม่ได้คือเป็นพื่มาบ้านเพื่พุ่นก็ได้รือมาได้วหมหาของมานำมาดูกันตินแต่ก็พักกันนั่งตั้งแต่หนึ่งนาทีสองนาทีไม่ตินใ้ความผู้นั้นมุ้มกินเราเสียงกันตีกันตินั็นจะทิบุญแต่ไม่มีสามารถตินแต่ไม่มีกรด้ คนที่คนเป็นตาต้มผู้อื่นคนไปตาหัวผู้อื่นคนเป้าขาตาออก่วงผู้อื่นแ้นทีเสียผู้อื่นต่ได้แบบตันี้ตัวนี้คระบเทรนโตปัญญาแ่ามนิเป็นแบบตั้งบ่าวทั้งบุก็คนออกเขาคนเขาขี้เขาคนเาเละแ่นี้น่าจะเป็นเทปอย่างน้นตามกมกันว่าใอ้คนเอ็มไอ้คนเกิดเจ้าสอนได้ สามควบเกลื่อร่อนให้แก่ตัวเองทคนเดกาคบ่นเป็นเท่าไหร่ถามเห็นมาจัดใส่ควบรรอนเขาก็นคิยคนที critique, ่ขาดสีคอดฟองกันหรือว่แม่นต่านี่ควบจุกเราเอนนงบาเอ้ยถุงโลงถุงามเาขาวของคณเราทุกเืนจีบพอีกพอควแต่ผพมีนี่จะว่าันทัาอะไรถันพอมีปูน มีบุญเป็นไม่เป wow. ah ็นคนเยอผมมีบุญเป่ยนมากหกคำสอนของคุณปุทจเจ้าเอาทุกขกยาพูเจ้าหาถึงมาทับมาขอค้นถ่าก่อนทถ้าอาหารในอาหารใจเรื่อจะเกิดปัญหาผ้าท้องข้ไปสำหรับอาหารใจเลคนั่นั่งมู้ประทับองการไปถามโดเพนี้แต่เมือกคนขวัญถาคือพุณปุณจิจเจ้าของปุณวานี่ที่ปัหามาใบ การเชอว่าหางกายของแม่หามาใช้ฟาอขอรได้กินให้พกกินเของากพเจ้าแต่ใปหาหปีม่เนหามือหนึงต่อมือก็มีมือหนึงหนึงนาทีผมกูคบปฏิคบถ้าขอเวิรด้วยเป็นเหตุนั้นทับนั้นนะเบิ่นมนี่คือตแหนหาขอป้าของจะศึกษาท่านผู้สิส่งันมผูกนั่งดูม่พาะที่รูก ปฏิสิทรูปามาพัดจากพัดเดียวถ้าหากม่ไดุ้เจ้าวันนี้ให้รู้จากที่นังแตกหมอคว่ำขึ้นก็รูกระดิ่กนีไปไหนแตัผู้ใดจะบอกพก็ไเจ้าว่าเป่นักการรูปปัจจังพู้จพกตนนะคุณรู้รู้เองเองเพราะเรียนมาจากหัวใจเป็นังไหนพนู้ พาะปันภูเก hey, ี่เลียนชัวไปห้องี่เศษนับเกลียนถูกใทอ็เกลียนเหมือนใจเหมือนใจเกลียนเลยดูดิจักบอกก็ย่อออก็ย่อครั้เดียวหาข้อมีออกไกลทิศละเอียดเล้อไปคิศละเอียดเลือกันใจนี่ไปว่ได้อันใจเหมือนจของมี่จะไดหันใจไปได้อันใ้ท่านเป็ของบางเปาเป็นของบ่มีมีใจควบสุก สวยสุกนะร้อยอยู่ในถาดรูต้นถุก้อยอยู่ในถาดรูคนนี้นันมีนัมีนี่ไปเ่อไรประกานั้นเนี่ยพันแน่นหนาโดยเฉพาะยังเกีงงานร่วมมีนี่เกิดของคู่มีความดำเล็กต้องเสริมอุตมากกาอาสา กัษ า, าใจมุนิติ <c oughs> ป็นมุนิติจงเก็บพุดนามัตตาอาศารักษ า, าใจเพราะนั้นพวกภาดูแรกทุตณีแ้พก็ยัยบ เ, นนเ ร, รียนนักเรียนเลมาตระทุ่นะวีนึงสองสามเดียออพภาษาออกภาษามาคำพิสาขกันเกิดคนใดพ่พมาตามนี้ ตัดออกเพื่อกันงตั้งเอาไว้รเจ้าประสงค์มาใสพม่าประจำตัดออกนั่งในตัดออกนํงาเกขจะเป็นบาวงอนมผู้ปกครอง้ามานั่ก็เด็ตัวตอนเราเอาของูปูเ่ไปเดต้องเสื้อจีนเห็ดจิงทับจีนจีนกดเป็นบาหันบาปอะไรตัดออกตัว ก็สิได้ก็่เปขาสิว่าก็แต่แต่ก็แสดงวามเทื่อมันโดยเฉพาะผมก็ไ่ได้งาวัที่นี่แตนั้นไม่มีคตัวพระทุกวันนี้แต่บนอนนี้น้องนองทุกวันนี้แต่บ้าพระทุกวนนี้แต่บ้านก็แล้มันทะลึ่งก็ตอนนั้นตอนกสดเอาตัวนะแตลาดารก็เป็นี้ยเพียนนี้เลยเนี่ย เรื่องก็ไปเไปลูกผาเดวนะ่ขอนังขอนนะน่ะเื่อก็ไปเรื่องก็ไปไปก็ไปยังไงไปแรื่อยๆนั่งคอนวณเห็นว่าเราอเ่วัดนั่นเป็นแบวัดวัดนี้นมวัดจะ้าขาูกจะไปตาายลูกู้วัดม่ยากรับ ก็หาคูู่ก่อนหาตางคนก่อนน่าที่วัด่าน่าน่าคือเดีดีไปใช่ไหม่าต่างใจพักพักต่างใจเนี่ยปสืบคุณพับคุณพ่อเอาไปคุณพ่เป็ไปหาเงิยางนี้เอาใจเยแต่หนักคอต้นอ้นเอบาณี่อกทัน์ทัน์ใลยเมา อ้าทำดีก็ได้พระษาสวัสดีทับทุนก็ดีเป็นพวต่างตีดีดีข้อตีดีข้อตี่ีข้อัาษาอะไรประเภทนี้เป็นพวกข้ามบาร์ทับทุนกับไหด้วยการรักษาเอาไว้อันมากเรจะจะเริ่มเพิ่งรูมหายใจก็ออการพวกน้ำหรือบ้านเป็นนางบ้านใดเป็นแบบนั้นหมการแสดงนะปูนหรือว่านางโผัดกับผสมสันันหันนี่ม้องโมสบายนี่มันร้องโูถันตันหันนะ เป็นนั aman, so, thrill, 38, oh, ่งเกาะบอกแค่แคเร่นลบนแต่ว่าท่นที่นั่นอกผได้ย้อนจำได้แต่เนี้ยมัจะไปควรในยังไงต้องบ้านแต่มีว่เลกไปอ่โอ้ผก็เหมือนงาผก็่งข้อควรอะไรี่วิดการดูแค่ไหน ลูกคุณเราควรจจ้าทกับตรงนั้นปกิจกรายฐนนหลี้ัวหนวยามุ่งวาุความัใหนึ่มุ่งหลัาสตลอดทั้งประจำปัจจุบันทุกเรื่อทุกการทุกใจนถ้าถูกต้อตำรวจตลอดปังานที่ไวกันนั้นเป็นอรางาที่น่ไจจงจเน็จงําเน็ตตอการวามาุ่งนานตัทุกประการ